ที่มือไปทางคริสติน่าที่เพิ่งจะเดินเข้ามาถึงคุณเองก็เหมือนกันระหว่างที่ผมนอนพักสงบไปชั่วขณะทุกคนของพวกเราควรจะอยู่กับที่ไม่น่าจะเคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิน้นแต่คุณก็พยายามที่จะเคลื่อนห่างหมู่คณะออกไปโชคดีนะที่มีบุญคําเป็นเพื่อนไปด้วยไม่งั้นคุณจะหายสาบสูญไปเฉ ย, เฉย ชนิดพวกเราตามซากคุณไม่พบทีเดียวผมขอร้องไว้แล้วไงว่าอย่าพยายามฝ่าฝืนคาสั่งไอ้ความกล้าหาญความเข้มแข็งนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่จะต้องวางรากฐานอยู่บนระเบียบวิ น, นัยแล้วก็เคารพต่อคาสั่งด้วยผมไม่ได้คิดที่จะเป็นนายพวกคุณเพราะโดยแท้จริงแล้วพวกคุณนั่นแหละคือนายของผมหรือฝ่ายผมทั้งหมด แต่พวกคุณมีประสบ ก, การณ์น้อยกว่าผมจิงควรจะต้องเชื่อฟังผมอย่างเคร่งครัดเพื่อสวัสดิภาพของทุกคนถ้าแต่ละคนถือดีทาตามใจชอบทำให้ผมรู้สึกว่าตัวใครตัวมันเมื่อไรแล้วก็เฉพาะผมและฝ่ายผมนะั้เอาตัวรอดได้ครับแต่พวกคุณจะไม่มีโอกาสกลับออกไปยังโลกภายนอกอีกขอทราบด้วย ว่าผมหมายความตามที่ทพูดนีดจจ่จริงๆครับฉันฉันเสียใจระพินขอโทษที่ขัดคำสั่งคุณโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะคริสติน่ากระซิบตอบมาเบาๆอย่างจำนนแต่นายคิดโวยออกมาอย่างคนดันทุรังดื้อรัน้นเฮ้ยนายมันบ้าระพินอย่าสร้างสถานการณ์อะไรมันมากนักเลยวะ กี่นี้ตัวนายเองก็เค้กแก่หมดท่าไปแล้วนิวไม่ใช่เพราะพวกฉันหรอกเลยที่ช่วยนายไว้นายจะถือสัตากบ้าบออะไรของนายก็เชิญถือด้วยคนเดียวดิฉันไม่อยากจะได้สมบัติผีโบราณพวกนั้นหรอกแค่อยากขัไปดูใ ก, กล้ๆอ่ะกล่าวจบคิดก็ส่องไฟก้าวสวบสวบไปเบื้องหน้าทันทีฉับพลันนั้นยมพรานก็เคลื่อนตัวแวบชนิดที่ไม่มีใครทันสังเกตอาการของก็ทัน เป็นการสะบัดปลายเท้าเอาไปเตะตัดขาหลังของนายคิดผู้กำลังจะก้าวออกเดินทำให้เสียหลักสะดุดข้างหน้าหัวขามามทิ่มลงไปตะครุบพื้นอยู่เบื้องหน้าล้มในทันทีพร้อมกับอาการร้องสะบดของคิดเชิดวุสก็รวดเร็วฉับไวพอๆกันกระโจนลงไปกอดปล้ำล็อกคอคิดซึ่งกำลังจะเพลนลุกขึ้นมาปล้ำกันดิ้นคลุกคลักอยู่ตรงนั้นการเข้ามาบังคับตัวคิดไวก่อน ก็เท่ากับเป็นการช่วยเม่เท้าอีกข้างหนึ่งของระพินซึ่งกำลังจะดีดเข้าปลายคางต้องชะ ง, งักลงเพราะถ้าขืนเตะซ้ำจะไปโดนก้านคอเชิดบุษครับ เ, เกิดเอะ โ, โวยวายกันขึ้นทั้งคูหาธรรเสียงด่าของคิดกรโงงฉงเฉงไปหมดนอกจากระพินแล้วทุกคนกำลังอยู่ในภาวะเคลื่อนไหวชุลมุนเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีมวยหมู่ใต้แผ่นพิภพ อันเป็นมหาสุสานของนิทรานาครขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้จากสภาพความตื่นเต้นและโกรธแค้นของฝ่ายนายคีนะสตสแตนลีย์และเบนพยายามเข้ามาช่วยกันจับคีตไว้ด้วยแล้วก็ร้องละล่ําละลักให้ทั้งสองยุติการปล้ำฟัด ก, กันวเนียบุญคำเกิดและเสยกำลังจะทะหลันเข้าไปซึ่งก็ต้องชะงักเพราะคริสติน่ากระชากคอออกมาทีละคน พร้อมทั้งร้องตะหวาดให้อยู่นอกวงตัวหลอนเองขณะนี้ใช้ปากกระบอก M16 แบบคอมมานโดประจำตัวกันทั้งสามของฝ่ายระพินไวเรื่องราวมันยุติไปเอาเมื่อสตันลีอิซเบลและเชิดบุตรช่วยกันหิ้วนคิดซึ่งล้มลงไปเอาหัวโคกหนอหิงจนหัวโนขึ้นมายืนปัดฝุ่นอยู่ ปากยังตะโกนด่าระพินผู้ยืนเฉยเป็นเงาทะมึนอยู่เช่นนั้นมีการช่วยกันสำรวจจากพวกพ้องว่านายคีตนะบาดเจ็บตรงไหนมั่งหรือยังไงส่วนคริสติน่าก้าวเข้ามายืนประจันหน้าระพินต่อว่าเบานี่คุณถึงนายคุณก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นกับคีตนะจอมพลานยักไหล่นิดนึงผมก็เพียงแต่เขี่ยขาเขาให้ลม้มลงซะ ก, ก่อนเท่านั้นแหละ ก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาแล้วคุณวุฒิก็แค่พยายามล็อกตัวเขาไว้คำตอบอยู่ที่นั่นแล้วแต่คืนปล่อยคะแนนคิดให้เข้าไปที่นั่นอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณดูนั่นดิประโยคสุดท้ายเขาบุยปากไปทางด้านหลังตำแหน่งที่มาของรังสีรุงร่วงซึ่งสาดประกายออกมาอันเป็นตำแหน่งที่คิดกำลังจะก้าวตรงเข้าไปเพราะความหามหากไม่ถูกสกัด โดยการแตะขายขมำหน้าลงไปสักก่อนรวมทั้งการช่วยยื้อยุดไว้ของเชิดบุตรจนทำให้ชุลมุนกันไปหมดคริสติน่าเหลียวไปมองพร้อมๆกับทุกคนแล้วก็ช้าดิกจากเส้นผมจรดปลายเท้าสูงตรังงานขึ้นมาเหนือกองมหาสมบัติอันสองประกายวาววามอยู่นั้น คืองูใหญ่สีทองซึ่งปรากฏกายขึ้นอย่างประหลาดลำตัวขนาดเท่าขาอ่อนของคริสติน่าปิดวาว่าราวกับจะฉาบไว้ด้วยทองคําเปลวสองตาแดงกล่มเหมือนฝังไว้ด้วยทับทิมแผ่พังพานราแลบลิ้นอยู่แปแปลบมันจะเกิดขึ้นจากอสรพิษไร้ายที่มีชีวิตจริงหรือเกิดจากภาพมายาลวงตายยังไงก็ตาม แต่ทุกคนในสถานที่นี้ก็มองเห็นด้วยอาการพังะตะลึงพร้อมกันหมดพัทงทานเกือบเท่ากระด้งนั้นแผ่กว้างแหว่งไปมาช้าๆพร้อมกับเสียงคู่คำรา ม, มราวกับหัวรถจักรที่พ่นไอ้น้ำออกมา รัสมีอันร้อนภาาราวกับลมที่พัดผ่านเตาไฟพุ่งวูบมายังทุกคนระยะขนาดนี้ทามันฟาดหัวโถมเข้ามาก็ถึงกลุ่ ม, มนุษย์ที่ยืนกันอยู่ทั้งหมดภายในพริบตาเดียวชนิดไม่มีที่จะหลีกหลบผลถอยได้เลยนายคิดเองขณะ น, นี้อ้าปากค้างขนหัวลุกชัน เชิดบุตรผู้ยังจับแขนเพื่อนอเมริกันร่างยักษ์ผู้หามทะลึ่งไม่สู้จะรู้จักกาเทศะนะรีบปล่อยมือไปตบบุพพระเครื่องที่ห้อยคออยู่สตนลีและเบนเข่าอ่อนแทบจะรูดจ้ำเบาลงไปนั่งกับพื้นส่วนเกิดเสย์และบุญคำนิ่งเหมือนหินคริสติน่ามีอาการเหมือนจะขยับตัวแต่แล้วก็นิ่งไปอีก เมื่ออุ้งมือแข็งกระด้างของจอมพรานจับขยุ้มมาที่ต้นแขนของหล่อนอีกมือหนึ่งกระชาก M16 ิประจำตัวแม่ผมทองยึดไปถือไว้ในมืออย่างง่ายง่านาเขาก็บอกเรียบๆต่อมาว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนความตั้งใจก็ขเข้าไปดูซะเห็นชัดกระตาใก ล, กล้ๆซิคิดฉันว่าเขาคงไม่ต้องโชกหรอกนะแต่คงจะา หัวของนายขยอกตึงกันไปแ ล, ละะ้วมั้งเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรก็มาเห็นจชนในครั้งนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องเสือกลับไปเล่าใครฟังหรอกเพรไม่มีใครเขาเชื่อนายหรอกคิดนะก่อนหน้านี้อึดใจเดียวกําลังปั้นหมัดจะหาทางสัตวเข้าปลายทางของเชิดบุตรอยู่แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เกิดกอดเชิดบุตรซะแน่นจนอีกฝ่ายนึงหายใจแทาไม่ออก สตอลีสตะกุกตะกักมาแท้ไม่เป็นภาษาระพินรพินทำอะไรสักอย่างที่คุณทุกคนปิดไฟฉายให้หมดบุญคัมเสยเกิดดับใต้ให้สนิทนั่นเป็นเสียงพูดเรียบเรียบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย ไฟฉายทุกดวงที่กำลังช่วยกันส่องอยู่ในขณะนี้ดับวับลงในทันทีส่วนบุญคำเกิดและเสยทิ้งใต้ลงกับพื้นใช้เท้าขยี้ดับความมืดสนิทเข้ามาครอบคลุมสถานที่ในบัดนี้มันมืดมืดอย่างแท้จริงมืดยิ่งกว่าความมืดในห้องอัดภาพ เพราะในทันทีที่ไฟทุกดวงดับไม่ว่าไฟจากแบตเตอรี่หรือไฟจากปลายใต้ที่ลุกติดอยู่ได้ดับลงพระกกายอันสว่างพร่างพราวของปวงอัญมณีตำแหน่งที่งูใหญ่โผล่ชูคอร่อนขึ้นมานั้นก็พลอยสลายรังสีมืดสนิทลงด้วยได้ยินก็แต่เสียงลมหายใจหนักแรงของตละคน และสำหรับในขณะนี้ระพินรู้สึกว่าร่างกายอันเย็นชืดอของใครคนหนึ่งเบียดชิดเข้ามากอดเขาไว้แน่นกระชับสัมผัสได้จากความนุ่มยุ่นที่บดเข้ามากายนั้นสนสั่นน้อยๆและใบหน้าก็ซบลงกับต้นแขนเขากระซิบแผวสั่นรัว พระพูดเป็นเจ้าต่อไปนี้ลูกจะไม่บังอาจดูหมินต่อต้านต่อวาจาคำสั่งของชายผู้นี้อีกแล้วระพินโอบมือไปตบแผ่นหลังนั้นเบาๆเหมือนจะปลุกปลอบใจในความมืดและในความเงียบขนาดเข็มตกได้ยิน เวลาจะผ่านพ้นไปนานสักเท่าไหร่ไม่ทราบได้บรรยากาศค้นหนักเหมือนจะกดทุกชีวิตให้จมดิ่งลงไปสู่นรกอันลึกลำหาที่สิ้นสุดไม่ได้ต่อมาทุกคนก็ได้ยินเสียงไลเตอร์แบบซิปโป้ของระพินดีแชะขึ้นพร้อมกับเปลวไฟสว่างติดไส้แล้วเขาก็บอกมายัางทุกคนที่รวมกลุ่มออกันอยู่ว่าเอาละ จุดใต้ขึ้นตามเดิมอีกครั้งได้แล้วสำหรับคิดขอความการุณาใหญ่เอะอะโวยวายหรือสบุด่าพรุษสวานอะไรอีกแล้วกันใต้จากพรานพื้นเมืองของระพินถูกจุดสว่างพร้อมแพรมขึ้นอีกครั้งไฟฉายบางดวงจุดหลอดและพุ่งแสงอันริบรีออกไปแต่ในครั้งนี้จะมองเห็นพักพวกกันเองที่อยู่กันเป็นหมู่ในสภาพสลัวราง เป็นเงาตะคุ่มเหมือนเดิมไม่มีรังสีของประกายเพชรนินจินดาที่เคยเล่นแสงไฟศาสตราวสะท้อนตอบมาปรากฏให้เห็นอีกเลยระพินค่อยๆดันกายอันสั่นเทิมของคริสติน่าที่กอดแขนเขาอยู่แนบชิดให้ห่างออกไปอย่างอ่อนโยนละมุนละมอมแล้วเดินเข้าไปตบหลังเหมือนจะให้สตินายคิดกระเชิดบุร จากนั้นก็ก้าวเข้าไปจับไหลเบลกับสแตนลีผู้นั่งอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่บนโขดหินประคองให้ยืนขึ้นไม่มีอะไรแล้วล่ะครับปรับจิตใจให้เป็นปกติได้ครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ลืมเรื่องนี้ซะดาดพินเสียงเบลเหมือนคนกำลังร้องไห้ครับผมแ น, น, น, น, น, น่ใจนะว่าพวกเราทั้งหมด จะมีชีวิตรอดกลับขึ้นไปข้างบนได้ได้สิครับเราต้องกลับขึ้นไปได้แล้วก็อย่างปลอดภัยที่สุดด้วยคงไม่ต้องย้านะครับว่าพวกคุณจะต้องทำยังไงบ้างเออเออจะให้เดินสี่ตีนเหมือนหมาตามหลังนายก็ยอมแล้วอ่ะเสียงนายคิดครางอย่างสิ้นริดไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคิด แต่เพียงว่าให้รู้อะไรควรอะไรไม่ควรมั่งเท่านั้นถ้าไม่รู้ไม่ได้รับการเตือนบอกก็ขอให้เชื่อกันมั่งก็แค่นั้นแหละอ่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมยังทุกคนเงียบกริบรับพินหัวเราะเบาๆปลอบใจกล่าวต่อมาว่าเอาละครับผมให้เวลาอีกสองนาทีแล้วกันสำหรับการปรับสติสัมปชัญญะ แล้วหลังจากนั้นผมจะนำลงคิงส์แชมเบอร์หรือห้องไว้ศพกษัตริย์สองพ่อลูกแห่งนครโบราณ น, นี่ทางลงอยู่ทางขวามือเนี่ยแหละครับก้าวลงไปตามบันไดาตามสบายเพียงแค่ไม่เกินอีกยี่สิบขั้นเท่า น, นั้นเองนี่คุณคุณคุณพูดเหมือนคุณรู้แปลนของทางเดินอันลี้ลับในนี้หมดทุกระยะยังงั้นน่ะระพิน เสียงสั่นคลิวของคริสติน่ารำพึงออกมากระพินตกที่ตะโพกของหล่อนเบาๆแล้วยัดปืนเอ็มสิบหกที่กระชากยึดมาเมื่อครู่นี้กลับคืนไปให้ใช่ครับคริสผมรู้ทะลุโ ป, ปรงหมดทุกอย่างแล้วคราวนี้เราไม่ต้องเดินงมกันต่อไปแล้วล่ะพุ่งเข้าหาจุดได้เลยแล้วก็การุณาอย่าถามว่าผมรู้ได้ยังไงนะครับ ขอรับรองในความปลอดภัยของทุกคนกลับใดก็ตามที่ไม่ฝ่าฝืนขัดคําสั่งผมเอาละครับใครพร้อมเมื่อไหร่ขอให้บอกผมเป็นรายบุคคลถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องลงไปอเมริกันอาวุโสอันเป็นหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์แต่ในขณะนี้ได้ลงมาสำรวจอยู่ในส่วนอันลึกล้ำที่สุดของมหาสุสานประหลาด จากมือร่างในอดีตได้หันไปชุมนุมอยู่กับกลุ่มของฝ่ายตนอีกสามคนซุบซิบซุบซิบเหมือนจะหารือสอบถามอะไรกันอยู่ชั่วอึดใจก็หันมาบอกกระพินด้วยน้ำเสียงอันแสดงถึงการตัดสินใจที่เฉียบขาดว่าเอาละนำต่อไปได้กระพินพวกเราทั้งหมดพร้อมแล้วจอมพรานสูดลมหายใจลึก ขันไปกำชับคนฝ่ายเขาทั้งสามให้ปฏิบัติหน้าที่และรักษาแนวการเดินไว้ในสภาพเดิมจากนั้นเขาก็ก้าวออกเดินช้าๆบ่ายหน้าไปทางด้านขวามือของผนังถ้ำใต้ดินตำแหน่งนั้นมีบันไดหินขนาดใหญ่ในลักษณะเหมือนกับที่ได้ไต่กันลงมาในช่วงแรกเทลาดรอคอยอยู่แล้ว ดูมันจะเป็นแนวทางที่แทบจะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากร่องรอยของแผ่นดินไหวมากนะักเพราะมีรอยแากหักพังน้อยที่สุดขนทางกว้างใหญ่ขนาดเดียวกับที่ลงมาในช่วงแรกเช่นกันมันพิสูจน์ให้เห็นว่าตลอดแนวทางที่ขุดลึกเป็นอุโมง์ใต้เทวสถานเทวไลเบื้องบนมันเป็นเส้นทางที่จะนําลงมายังบริเวณประดิษฐานพระศพนี้ แต่เดิมมันจะต้องมีขนาดกว้างใหญ่มาึือมาเสมอเท่ากันหมดทุกชั้นทุกระดับแต่อำนาจการสันสะเทือนของแผ่นดินไหวมากกว่าหนึ่งครั้งนั่นเองที่ทำให้หนทางบางตอนตีบแคบลงหรือมิฉะนั้นหนทางที่จะแยกแยะออกไปยังคูหาอื่นๆอันมีอยู่มากมายก็ถูกหินหล่นมาปิดบังไว้ซักเป็นส่วนมากบัดนี้ รพินไพยวันนำคณะนายจ้างของเขาเดินเหยียบขั้นบันไดลงมาทีหลักเก้าโดยสัญชาติยานความทรงจำแต่ในอดีตชาติซึ่งมันผุดกระจางขึ้นในประสาทสัมผัสของเขาอย่างประหลาดถ้าไม่อุปทานหรือคิดสร้างภาพจินตนาการไปเองเขาจาได้อย่างแม่นยำว่านัสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่ง นานเท่าไหร่แล้วไม่ทราบเขาได้เคยผ่านลงมาก่อนแล้วกับทหารคู่ใจกลุ่มหนึ่งจำนวนหกคนโดยมีอีกหนึ่งกองร้อยในสภาพปลอมแปลงแฝงกายซ่อนเร้นอยู่บริเวณภายนอกของสถานเทวไลาด้านบนซึ่งในครั้งกระนั้นแต่ใช้วิธีเจาะขุดช่องทางเข้ามาอย่างซ่อนเร้นไม่ให้เหล่ายามรักษาการ ของฝ่ายนิทรานครได้ไหวตัวรู้ทันภายหลังจากที่บุกเข้าโจมจู่โจมเงียบสังหารยามผู้เฝ้ารักษาดูแลอยู่ภายในอันมีอยู่ไม่เกินหนึ่งหมวดเสียชีวิตหมดครั้งนั้นเขาได้ลักลอบเข้ามาณสถานที่นี้ในสภาพของอักคณิรุษผู้ประสงค์จะลอบเข้ามาขามโมยศพของสตรีอันเป็นสุดที่รัก นำกลับคืนไปสู่อาณาจักรแห่งตนแต่ครั้งนี้เขาลงมาในนามของรพินไพรวันพรานป่าผู้ประสงค์จะได้พิสูจน์ความจริงว่าเรื่องราวในอดีตที่เขาได้รับรู้มาเหล่านี้มีข้อเท็จจริงอยู่ประการใดถ้าแม้ว่าลงไปสู่ห้องโถงใหญ่ด้านล่างพบหีบศพอันแกะด้วยหินทั้งแท่งตั้งประดิษฐานอยู่บนแท่น สีขวามือเป็นหีบที่สมบูรณ์พร้อมและอีกแท่นหนึ่งทางซ้ายมือมีอีกหีบศพหนึ่งมีรอยฟ้าหินที่เคลื่อนเปิดออกและวางคาอยู่ในมุมขวางเกือบจะเป็น90องศากับความยาวของตัวหีบนั้นก็แปลว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้รับทราบมาจาก น, นิมิตฝันก็ตามและจากการบอกเล่าของแง่ทราย อันนำความมาบอกเล่าในห้วงผวางก็ตามมันคือความจริงทั้งหมดมันเท่ากับเป็นสิ่งที่พิสูจน์กันได้อย่างแน่ชัดทีเดียวไม่มีอะไรที่จะต้องคลางแคลงอีกต่อไปและมากว่าภายในสถานที่มันผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากสมมติฐานที่กำหนดไว้ก่อนแล้วนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องของการลวงตัวเอง เป็นเรื่องความเท็จเหลวไหลที่จิตประสาทของเขาได้เกิดอาการหลอนสร้างภาพขึ้นมาเองโดยแท้โดยไม่ได้หันกลับมาสำรวจดูเบื้องหลังอีกเลยว่าใครจะเดินติดตามเข้ามาในรูปแบบอย่างใดบ้างกระพินก้าวนำต่ำลงไปตามลำดับโดยแสงใต้ในมือที่่องเอ็นไปเบื้องหน้าซึ่งแทบจะไร้ความหมายเพราะแสงอันน้อยนิดของมัน เขาเดินคลื่นลงไปด้วยความมั่นใจและด้วยสัญชาตญาณมากกว่าจักสุประสาทตเบื้องหลังทั้งขบวนยังคงย่องกริบตามกันมาแม้จะเบาแสนเบาเพียงไรก็พอจะสำเนียกได้ในฝีเท้าของหลายหลายคนยามนี้ทุกคนเหมือนมีอะไรมาเย็บปากสนิทหมดไม่มีใครเอ่ยคำใดออกมาเลยทั้งสิ้น แม่บุคคลที่ช่างพูดปากเปราะมากที่สุดคือคิดก็มีสภาพเหมือนจะเป็นใบเบื่อไปชั่วขณะอิทธิพลของสถานที่มันสะกดอยู่เหนือจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนทำให้ต้องเงียบกริบกันไปหมดอีกสองสามอึดใจใหญ่ต่อมาระพินก็พบตนเองก้าวลงจากบันไดหินกว้าง ขั้นสุดท้ายมาเหยียบยืนอยู่กับพื้นเสมอมีลักษณะรากเรียกดูจะผิดไปกว่าทุกแห่งเขาเก้าวล้ำออกไปในความทึมทึบของบริเวณอันน่าจะเป็นห้องโถงใหญ่ใต้แผ่นพิภพนั้นประมาณสามเก้ายาวๆแล้วหยุดชูใต้ขึ้นสูงพักพวกทั้งหมดที่เดินอย่างระมัดระวังตัวแจ ก็ลงมาหยุดยืนชุมนุมกันอยู่พร้อมเบื้องหลังของเขาใต้พื้นเมืองหรือคบเพลิงเล็กๆในมือของแต่ละคนที่ถืออยู่ช่วยกันชูซองไปรอบๆด้านแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักทุกคนรู้สึกแต่เพียงว่ามันเป็นห้องที่ใหญ่มากเพดานสูงขึ้นไปไม่เตี้ยเหมือนคูหาอื่นๆที่ผ่านมาแล้วตามลําดับ มองเห็นอะไรไม่ไกลเกินไปกว่าสองวารอบรอบตัวซึ่งดูเป็นความมืดอันว่างเปล่าเวิงว้างอากาศรอบตัวคนหนักและเยื่อเข้าไปสู่ขั้วหัวใจยังไงบอกไม่ถูกในความรู้สึกของทุกคนทั้งหมดเห็นฐานใหญ่ชูมือสูงขึ้นเหนือสีสษะแล้วทดลองดีดเบาๆ เสียงบีดนิ้วของเขามันกังวานสะท้อนไปทั่วแล้วดังล็อกกลับไปกลับมาอยู่หลายตลบก่อนที่มันจะค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความเงียบสนิทตามเดิมจนแต่ละคนสามารถได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วๆของตนเองยังยังไม่มีใครขยับขยื่น นอกจากจะยืนนิ่งตาเพ่งจับอยู่ที่ร่างของจอมพรานเป็นตาเดียวเพื่อรอดูปฏิกิยาจากเขาแสงตา ย, ยังลุกพลมแพลงสร้างเงาปริศนาอันไม่อาจทำนายได้ถูกอยู่เช่นนั้นแต่อย่างน้อยมันก็พิสูจน์ได้ว่าณสถานที่นี้ยังพอมีออกซิเจนอยู่และไม่มีแกส๊สไวไฟชนิดใด แทรกซึมปักบนอยู่ในอากาศบึ้งคาเสียงพูดเป็นประโยคแรกของปรานให ญ, ญา่ดังขึ้นไม่เกินกระซิบแต่ก็ได้ยินไปทั่วเหมือนจะมีใครมาช่วยกระซิบเรียกนามนั้นต่อๆไปขรับนายพวกเราลงมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมเขาถามโดยไม่หันกลับมาดูข้างหลัง เช่นเคยครับนายเพราะหมดทุกคน่ะไม่มีใครขาดหรอกเอาละเดี๋ยวนี้เราทั้งหมดได้ลงมายืนอยู่ในห้องสำคัญที่สุดของมหาสุสานแห่งนี้แล้วมักคุเทศนำทางประกาศขึ้นนำเสียงของเขากังวานหนักแน่นช้าช้า มันคือห้องโถงใหญ่ที่เก็บศพของกษัตริย์และองค์มกุตราชกุมารีผู้เป็นราชธิดาตามภาพแผ่นผนังที่เราเห็นวาดไว้ขนาดที่ยืนอยู่ข้างบนบริเวณอันเป็นวิหารเทวลัยก่อนที่จะลงมาสู่ที่นี่สายตาตามปกติของผมก็เหมือนกับทุกคนในขณะ น, นี้คือยังไม่สามารถมองเห็นอะไรทั้งสิ้นเพราะมันมืดทึบหรือเกิด แต่ผมจะบอกให้พวกเราทุกคนรับรู้ไว้ก่อนและจะรอดูว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่เพราะกับที่พูดดังนั้นระพิงชี้ใต้ไปทางด้านขวามือของเขาฟังนะครับทางขวามือของผมนี่จะเป็นแท่นสูงและบนแท่นสูงนั้นจะมีหีบศพหินอ่อนสีขาวตั้งอยู่ ฝายหีบจะปิดสนิทส่วนทางด้านซ้ายมือฝั่งตรงข้ามห่างกันประมาณสิบเมตรจะเป็นอีกแท่นหนึ่งต่ำประหีบทางขวามือลงมาเล็กน้อยนั่นคือหีบศพของมกุฎราชกุมารีพระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนในเวลาไล่เลี่ยกันนำมาประดิษฐานไว้ด้วยกันเป็นหีบหินอ่อนสีชมพู แต่ทางด้านหีบสของพระราชธิดานฝาหีบจะเบนเพเยะ อ, ออกทำมุมวางขวานอยู่บนตัวหีบรัรรพินสีสแตนลีเอ่ยขึ้นแต่งผ้าตะกุกตะกักครับผมคุณคุณคุณพูดเหมือนกำลังตกอยู่ในห่วงพะวงพูดเหมือนคนเข้าทรง ดร์ Doctor, ครับขอรับรองนะครับว่าขณะ น, นี้สติสัมปชัญญะความเป็นตัวของตัวเองของผมมีครบถ้วนบริบูรณ์ครับรระพินมันเป็นคำบอกเล่าของคุณเหมือนเหมือนกับที่คุณได้บอกไว้ก่อนแล้วก่อนเวลาที่เราจะลงมาข้างล่างนี่แต่ตอนนี้เราก็ยังมองอะไรไม่เห็นนะ คริสติน่ากล่าวเหมือนจะประท้วงตื่นสติเขาครับคริสทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมันก็อยู่ข้างหน้าใกล้ๆเรานี่แหละที่ผมประกาศให้ทุกคนได้ทราบไว้ก่อนก็เพื่อจะรอผลพิสูจน์ให้พวกคุณเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดไว้นะ่ะมันถูกต้องหรือไม่เอาละครับอีกสองสามอึดใจข้างหน้านี่ ผมจะขอให้คะแนนคิดจุดพลุเคมีของพวกคุณขึ้นเมื่อความสว่างส่องทั่วไปหมดทุกซอกทุกมุมในสถานที่นี้เราก็จะได้เห็นกันแล้วว่าไอ้ที่ผมพูดไว้เนี่ยเป็นความจริงหรือไม่เพียงไรผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เข้ามาสัมผัสผมทางประสาทส่วนที่หกนะ่ะมันจริงเท็จประการใดอาคิด โปรถาตำแหน่งวางคลูเคมีของนายแลวจุดขึ้นได้แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการระเบิดหรือมีเหตุการณ์อันตรายใดๆทั้งสิน้นห้องนี้นักว่างแล้วก็เพดานสูงมากไม่มีแก๊สอันตรายใดๆเจือปนอยู่ในอากาศจัดการได้เดี๋ยวนี้เลยคิดนายคิดทำหน้าเลือกหลักหลังเลคริสติน่าผู้เป็นนักเคมีฟิสิกส์ก็พยักหน้าตบมาที่ไหล่ของเพื่อนชายร่วมคณะ ร้อมกระบอกเสียงต่ำๆมาว่าทำตามที่เขาสั่งคิดอเธอแน่ใจนะว่ามันจะไม่ระเบิดตูมขึ้นทันทีที่พลุมันส่งเปลวฟู่ออกมาไม่หรอกถึงแม้อากาศในนี้จะดูว่าอับแต่มันก็พอจะมีทางระบายความร้อนได้แล้วก็ไม่มีแก๊สอันตรายใดๆอย่างที่ระพินเขาบอกไว้หรือถ้ามันเกิดตูมขึ้นหินถล่มลงมา คนชื่อระพินทัยไพวันก็จะถูกฝังพร้อมๆกับเราแหละแม่ผมทองบอกมาอย่างคนใจถึงนายคิดก็บอกโอเคแล้วเอาไฟฉายส่องดูตามพื้นดินที่ดูว่าเรียบเป็นเงาดำปราบราวกะหินขัดซึ่งแตกต่างไปกว่าทุกแห่งที่เห็นกันมาแล้วพอพบช่องเป็นรอยแตกราวบริเวณหนึ่งใกล้ๆพอจะสอดท่อนพลุเคมีเข้าไปเสียบปัก ให้มันตั้งตัวอยู่ได้ก็กดฉับลงไปทันทีแล้วขีดไล์เตอร์ขึ้นแยกเขี้ยวยิ้มกับทุกคนเฮ้ยพักพวกแกยังคิดไว้ก่อนนะ่ว่าใครอยากจะไปเกิดเป็นอะไรในสวรรค์หรือนรกแห่งไหนอะกล่าวจบพันเอกแห่ง U.S.Army ก็จอ่อเปลวไล์เตอร์แตะฉับเข้าที่ไส้ของพลุเคมีที่โผล่เป็นชนวนยื่นออกมา ประมาณหนึ่งนิ้วเหมือนไส้เทียนพร้อมทั้งโดดถอยห่างออกไปบัตรนั้นไฟในลักษณะพันเนียงก็แตกเปรีย้ยระพวยพุ่งเป็นสายราวกระดอกไม้ไฟเดียวแค่พริตตาเดียวมันก็พ่นเปลวสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วส่องแสงสว่างจ้าด้วยพลังแผดแสงสว่างสวยโชดช่วงไปหมดและเห็นกระจางชัดตลอดทั้งบริเวณคูหาอันกว้างใหญ่ ราวกับห้องประชุมขนาดกลางนั้นทุกซอกทุกมุมพร้อมๆกับไออุ่นที่ขับไล่ความเย็นยะเยือกออกไปทีละน้อยแสงสว่างนั้นทวีเพิ่มขึ้นทุกขณะจนเจิดจ้าไปหมดไม่มีส่วนใดเป็นมุมมืดหรือเงาคลุมเครืออยู่อีกเลยจอมพรานยังคงยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นในขณะที่ทุกคนม่านตาขยายกว้างแล้วอุทานแซกออกมาเป็นเสียงเดียวกันหมด ภาพที่ปรากฏอยู่ในคลองจักสุของทุกคนเป็นจริงตามที่รพินไพรวันประกาศบอกไว้ก่อนทุกประกาศขวามือของคณะที่พากันมายืนออรวมกลุ่มกันอยู่เป็นแท่นสูงขึ้นไปประมาณสองเมตรมีชั้นที่จะให้คนเหยียบก้าวขึ้นไปสามชั้นก่อนที่จะถึงหีบหินอ่อนสีขาวละอตาอันตั้งอยู่บนชั้นยอดสุด ขณะที่ทุกคนยืนอยู่ยามนี้หีบลักษณะทรงประหลาดเกือบจะเป็นรูปเหมือนหีบมัมมี่ของกษัตริย์อียิปต์โบราณ น, นั้นลอยอยู่ในระดับสีรษะของแต่ละคนที่อยู่บนพื้นราบส่วนทางด้านซ้ายมือเป็นหีบในรูปทรงลักษณะเดียวกันอยู่ยังอีกแท่นหนึ่งต่ำระดับลงมากว่าเล็กน้อยเป็นหินสีชมพูงามสุด ที่จะพัฒ น, นาได้เหมือนแก้วผลึกเจรไนและยามที่สายตาทุกคู่หันมองสลับกันไปมาอยู่ขนาดนี้เห็นความแตกต่างได้เด่นชัดเพราะหีบศพทางขวามือนั้นอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยทุกอย่างส่วนหีบสีชมพูทางด้านซ้ายมือฝาหีบอยู่ในสภาพหมุนเคลื่อนเบนตัวออกจากการครอบด้านบนไว้ ผิดปกติไปโดยเฉย๋ออกมาเป็นมุมขวางเกือบจะเป็นลักษณะกากระบาทโดยเยื้องไปทางด้านสีษะซึ่งส่วนอันน่าจะเป็นสีษะของหีบทั้งสองหันไปในแนวทางเดียวกันและหันปลายมายังคณะมนุษย์ที่ลงมาเยี่ยมเยียนเพดานสูงขึ้นไปจากพื้นร่วมสิบเมตรเป็นรูปโค้งแกะสลักลวดลายกะหนกพิสดาร มีรอยปริร้าวบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกระชำรุดเสียหายมากนะักพื้นเรียบตลอดไม่มีรอยครุขระเลยอิทธิพลของหินงอกหรือหินย้อยไม่ได้เกิดขึ้นภายในห้องสุสานนี้ประหนึ่งว่าเท พ, พเจ้าหรือไม่ฉะนั้นก็ธรรมชาติจะพยายามอนุรักษ์ของเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดรายล้อมรอบแท่นหีบศพทั้งสอง มีร่องรอยของการประดับด้วยรา ช, ราชวัรชัดทงและเครื่องทรงสมศักดิ์ษักริร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สำหรับวางรีดมาลากระถางโลหะขนาดใหญ่ลายทองสำหรับเผาเครื่องหอมกรมยานดวงชวาราประทีปซึ่งเหลือไว้แต่เขาครห่างออกไปโดยรอบเป็นภาพตุ๊กตาแกะสลักด้วยหินเหมือนหยก หลากหลากสีเป็นกองทหารเกียติยศถืออาวุธต่างๆครบมือม้าเละรถศึกอาวุธข่าทาตบริวารสาวสันกำนันในอันเป็นข้าราชบริพารฝ่ายในผู้ใกล้ชิดสพรุบพร้อมเรียงรายเต็มไปหมดและเมื่อแสงสว่างขับไล่ความมืดออกไปแล้วเช่นนี้ภายในห้องถงใหญ่อันเป็นที่เก็บพระสบของกษัตริย์สองพ่อลูก มีแต่ความวิจิตรการตาสวยงามยิ่งนักไม่มีสิ่งใดอันเป็นภาพชวนสยดสยองน่าสะพึงกลัวเลยสิงโตมีปีกหมอบเคียงคู่กันอยู่หน้าแท่นทั้งสองแท่นละคู่ประหนึ่งจะคอยเฝ้าพิทักษ์ฉะนั้นและเป็นสิงหินลักษณะเดียวกับภาพสิงใหญ่อันเป็นปากทางเข้าเทวัลแต่มีขนาดที่ย่อส่วนลงมาย่อมกว่า เท่านั้นสลักด้วยหินอ่อนล้ ว, ลวนๆเกร็ดหินและสัพพสิ่งภายในห้องสะท้อนประกายระยับวาวว่าอีกครั้งทั้งหมดตะลึงแลยังไม่อาจขยับขยื้อนตัวได้ในขณะนั้นเพราะนอกจากขีบศพอันวิจิตบรรจงคู่นั้นแล้วทุกสิ่งอันเป็นส่วนประกอบรอบด้านล้วนเป็นความสวยงามไม่อาจคํานวณค่าของมันได้ ไม่ว่าจะเป็นฝีมือจิตรกรรมปฏติมา ก, กรรมรวมทั้งสิ่งที่นำมาประดับประดานอกจากระพินแล้วแทบไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเองในขณะนี้หลายๆคนในหมู่พวกอเมริกันยกมือขยี้ตาแล้วเพ่งมองส่วนพรานพื้นเมืองของระพินทั้งสามคนยืนเหมือนต้องมนต์จังงังเชิดบุตรริมฝีปากมุบมิบ ไม่มีเสียงผ่านออกมาโลกนี้เสี่ยวส่วนนี้สนิทนิ่งลงชั่วขณะคงมีก็แต่เสียงครางฟู่ของพลุฟไฟเคมีที่ให้ความสว่างเจิดจ้าอยู่ขณะนี้เท่านั้น <c oughs> ในวันเคื่อนกายช้าๆเป็นคนแรกเมื่อนั้นทุกคนจึงเริ่มขยับกาย เสียงเขบอกมาเบาๆว่ า, า, วาโปรดตามผมมาทางด้านขวามือนี่ก่อนครับผมมีภาร ก, กิจที่จะต้องกระทําบางอย่างครับคริสติน่ากับเบลทาท่าจะเบนทิศทางไปทางด้านแท่นหีบศพอันเป็นหินสีชมพูก็พลันต้องเปลี่ยนเป้าหมายเดินตามเข้าไปและสเตนลีคีดเชอดบุตรตลอดจนบุญคาและพลันหนุ่มทั้งสองก็พากันเดินตามเขาเข้าไปด้วยพร้อมๆกัน ระพินหยุดยืนนิ่งอีกครั้งบนแท่นของหีบศพหินอ่อนสีขาวสุดตัวลงอย่างแช่มช้าแล้วก้มกราบทำความครบยังเชิงแท่นพระสบนั้นบุญคำเกิดและเสยเห็นนายปฏิบัติเช่นนั้นจึงนั่งลงยกมือไหว้ปลุกปลุกด้วยเชิดวุฒธธรรมอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนชิดเท้าตรง เป็นการแสดงความคาระวะสแตนลีคีตเบลและคริสติน่ายกมือขึ้นแตะปีกมวกวันทิยาหัดโดยไม่ได้นัดกันไว้บัตรนีเกล้ากระหม่อมชั้นอักคนิรุธได้มากราบถวายอภิวาขอพระราชทานอภัยโทษต่อเบื้องพระบาทแล้ว มหันตะ ก, กรรมที่เกล้ากระหม่อมชั้นได้กระทําลงไปขอจงโปรดได้พระราชทานอาโหสิกรรมให้ด้วยพระเจ้าค่ะระพินกำหนดจิตอยู่ภายในจากสภาพที่สงบเงียบโดยไม่มีวาจาใดๆของเขานอกจากอาการกราบที่แท่นพระสบนั้นจากนั้นเขาก็ลุกขึ้น แล้วโบวกมือกับคณะนายจ้างทุกคนเชิญครับขอเชิญทุกคนไต่ตามผมขึ้นมาได้ครับเราจะมาดูบนฝาหีบศพกันให้ชัดๆไม่ต้องระแวงอะไรครับจะไม่มีอันตรายอะไรทั้งนั้นในสภาพที่ยังพูดอะไรกันไม่ออกนอกจากมองหน้ากันเองแล้วก็กรอกอยู่ไปมานายจ้างของเขาทั้งหมดปีนไต่ตามขึ้นไป อย่างช้าๆมีภาพแกะสลักของเจ้าของหีบศพอยู่บนฝาหีบนี้ด้วยสเตลีเพิ่งจะหลุดปากอุทานออกมาได้เป็นครั้งแรกเมื่อไต่ขึ้นมายังชั้นสูงสุดสามารถก้มลงมองบนฝาหีบด้านบนได้ลักษณะที่แกะสลักไว้เหมือนภาพแกะสลักบนฝาหีบศพของกษัตริย์ฟาโรไม่มีผิดช้ะ อิสเบนร้องออกมาอย่างตื่นเต้นอีกคนขณะที่คาแม่นจ้องมองภาพแกะสลักนูน ล, ลงสีสันอยู่บนฝาหีบด้านบนนั้นรูปร่างหน้าตาของเขาก็เหมือนกับภาพที่เขียนไว้ที่ผนังด้านบนที่เราเห็นกันมาแล้วนั่นแหละคริสติน่าว่าเดี๋ยวพยายามจะก้มหารอยประกบของฝาหีบกับตัวหีบส่วนนายคิดก็พยายามจะเอามือดัน หมายจะเคลื่อนฝาหีบออกดูภายในให้ได้แต่รพินจับข้อมือไว้สั่นศีสะกระสิบอย่าพยายามเลยคิดการเวลาที่มันนานแสนนานมาแล้วมันทำให้ฝาหีบและตัวหีบที่เป็นหินอ่อนเชื่อมสนิทเป็นเนื้อเดียวกันแล้วล่ะและฉันก็คิดว่าเราไม่ควรจะไปรบกวนคนที่ตายแล้วนานนับเวลาไม่ถูกด้วยปล่อยเขาสงบอย่างนี้เป็นนิรันดร์การ คิดพยักหน้าเ ง, ก, งก์เกละมือจากอาการออกแรงนั้นทันทีฉุดคริสติน่าให้ยืนขึ้นมาพิจารณาภาพบนฝาหีบอีกครั้งอืมลักษณะของเขาเป็นชายวัยกลางคนเฉียบขาดแกร่งกล้ามีอำนาจมากเขาตายเพราะอะไรนี่แม่ผมทองถามขึ้นลอยลอยเหมือนจะรำพึง ชายคนรักของลูกสาวของเขาแหละยิงเขาด้วยธนูระหว่างการศึกติดพันเพราะความเข้าใจผิดไม่ได้มีเจตนาเป็นเสียงตอบเรียบเรียบเก็บความเศร้าสลดใจไว้อย่างมิชิดทุกคนทำตาโตจ้องหน้าเขาเบนถามโพรงมาว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไง ร, รพินเบ รู้สึกว่าตั้งแต่ผมทำงานให้พวกคุณมาเนี่ยคำถามว่าคุณรู้ได้ยังไงผมฟังมาจนนับไม่ท่วนแล้ะถ้าไม่เลือกถามงงๆโโอย่างนี้สทีผมจะไม่บอกอะไรกับพวกคุณอีกและจอมพรานตอบยิ้มยิ้มไม่แสดงอาการขุนเคืองจริงจังอะไรนะักระพินคุณเป็นคนลึกลับมากนะลึกลับไปหมดทุกอย่าง คริสติน่าจ้องตาก็ไม่ไม่หมดทุกอย่างหรอกบางเวลาเท่านั้นหลายหลายอย่างผมบอกคุณได้แล้วก็อีกหลายหลายอย่างที่ผมก็บอกไม่ได้แต่สิ่งที่ผมบอกคุณไปแล้วมันพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงไม่ใช่เลยเออระพินกษัตริย์องค์นี้มีนามว่าอะไรนะ รู้สึกว่าคุณจะบอกเราแล้วเมื่อตอนอยู่ข้างบน่ะแต่ตอนนี้ชักจะลืมใช่ล้ะสแตนลีถามออกเสียงยากหน่อยนะสำหรับพวกคุณพระองค์ทรงพระนามว่ามหิติเดชะมหาราชอเมริกันอาวุโสเลิกคิวขึ้นนิดนึงตาสีฟ้าของเขาเป็นประกายตื่นเต้นสนใจเต็มที่นี่ระพิน เราขอยอมรับในประสาทสัมผัสส่วนที่หกของคุณอย่างที่คุณบอกเพราะเรามาพบกับสภาพแท้จริงของสถานที่ตามที่คุณบอกไว้ล่วงหน้าทุกประการเอแล้วหีบศพสีชมพูหน้าพิษสมัยนั่นก็เห็นจะเป็นหีบศพของบุตรสาวของเขาที่เป็นมกุฎราชกุมารีที่เราเห็นภาพแกะสลักนูนข้างบนนั่นใช่ไมครับใช่ครับ บอกนามเธออีกครั้งได้ไหมสำหรับเจ้าหญิงผู้มีวงหน้าเหมือนคนรักของคุณคนนั้นน่ะเธอชื่อชื่อจิตรางคนางกุมาจิตรางคนางราชกุมารีครับอืมน่าสนใจเหลือเกินนะเธอเสียชีวิตในเวลาใกล้เคียงกับพระราชบิดาไม่ใช่เหรอมิฉะนั้นสองหีบศพ คงไม่ลงมาประดิษฐานอยู่ที่นี่พร้อมๆกันหรอกนะตามภาพที่บันทึกไว้ข้างบนและภาพที่เราเห็นของจริงอยู่เนี่ยถูกต้องครับนี่คุณฉันจะไม่ถามละว่าคุณรู้ได้ยังไงแต่อยากจะถามว่าจิตรางคณางราชกุมารีผู้นี้เธอเสียชีวิตเพราะอะไรทั้งๆ ท, ที่ยังสาวยังสวยอย่างเนี้ย เธอดื่มยาพิษฆ่าตัวตายครับเธอเสียใจที่คนรักของเธออันเป็นคู่สงครามฆ่าพระบิดาแล้วอีกอย่างหนึง่งอาซึ่งเป็นขุนศึกใหญ่ก็ขบุดทรยศเธอก็เลยต้องการจะผละักนีจากชายคนรักที่หมายปองครับคริสติน่ายิ้มบางๆหันกลับมาทางหีบศพอีกแท่นหนึ่งฝั่งตรงข้าม คุณพยายามจะลงมาจนถึงที่นี่ก็เพื่อจะมาเยี่ยมดูศพของเธอไม่ใช่เหรอระพินคริสครับผมมีเจตนาโดยตรงที่จะมาเยี่ยมเคารพศพของบิดาของเธอครับส่วนสำหรับเธอก็เพียงแต่จะมาขอดูเฉพาะหีบที่เคยบรรจุศพเท่านั้นนะครับเอ๊ะหมายความว่าไงระพิน แม่ผมทองถามสวนโดยเร็วขมวดคิ้วนิดนึงอย่างพิศวงในคำพูดของเขา167รกิระพินทอดสายตานิ่งไปยังหีบสีชมพูฝั่งตรงข้ามพร้อมทั้งกวาดมองไปรอบๆ บ, บริเวณใกล้เคียงแท่นนั้นเหมือนจะทบทวนความทรงจำ ทุกคนของฝ่ายนายจ้างมองตามแล้วต่างก็มาจ้องจับนิ่งอยู่ที่ลักษณะท่าทีของเขาเป็นตาเดียวพยายามสำรวจอย่างให้ทราบไปถึงความรู้สึกนึกคิดภายในซึ่งก็ไม่มีใครอ่านได้ถูกครับไปเดี๋ยวผมจะตอบให้ทราบครับว่ามันหมายความว่ายังไงใช่ครับมันมีความหมายมากทีเดียวโปรดตามผมมาครับ เขาก้าวลงจากแท่นตั้งหีบศพสีขาวเดินนำตรงไปยังที่ตั้งของอีกหีบหนึ่งช้าๆท่ามกลางแสงพลุเคมีที่ยังสว่างสวัยอยู่เช่นนั้นทั้งหมดตามเป็นกลุ่มเข้ามาอีกเมื่อขึ้นไปยืนอยู่ริมหีบอันงดงามมีรอยฝาเบียงเปิดออกนั้นระพินก้มหน้าลงไปดูภายในแล้วสงบนิ่ง กระดุดหินไปอีกดวงตาทั้งคู่รีลงทุกคนก้าวขึ้นมายืนอยู่ในระดับเดียวกันกับเขารายล้อมรอบด้านจากชานแท่นที่มีเนื้อที่พอจะอาศัยเหยียบยืนอยู่ได้ภายในหีบศพว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดเลยในนั้นนอกจากลักษณะที่ขุดลงไปเป็นแอง่ง เหมือนจะให้เป็นที่วางร่างกายของมนุษย์เพื่อให้นิทราอย่างมิรู้ตื่นยังไม่มีใครสนใจกระพินผู้ยืนกอดอกเฉยอยู่ในขณะนั้นแต่ต่างมองไปยังหีบที่มีรอยเบีย่ยงเบนเพเยอะออกอันด้านบนเป็นภาพแกะสลักนูนเช่นเดียวกับหีบที่ไปดูกันมาหยกๆยกนี้แล้วแต่บนฝาหีบนี้ เป็นภาพของสตรีงามในเครื่องประดับและลักษณะของภูษาพัตราพรเยี่ยงเดียว ก, กันกับที่เห็นกันมาก่อนแล้วบนผนังในเทวไลเบื้องบนก่อนทั้งสองประสานคว้ย ก, กันวางอยู่เบื้องอุระ่างหัดข้างหนึ่งกรรมคาถาอันมีปลายยอดเป็นดวงสุริยาอีกข้างหนึ่งกําดาบสั้นเสียนประดับด้วยมงกุฎนางกษัตริย์ สภาพของภาพแกะสลักบันทมหงายเหยีดยาวไปตามแนวความยาวของฝาหีบทั้งแท่งปวงถนิมพิมพาพรอันเป็นเครื่องประดับเหล่านั้นจากเส้นเกษาจรดปลายบาทล้วนฝังประดับไวด้วด้วยดวงอั ญ, ญมณีของจริงทั้งสิ้นหลากสีสันกระทบแสงไฟจากพลุส่องประกายวาบู่ เท้าพักราอันมีดวงเนตรปิดสนิ k นั้นแลหินกันได้ถนัดตาทุกคนทุกคนจ้องตะลึงการเวลามันจะนานมาสักเท่าใดแล้วก็ตามแต่ภาพที่สลักอยู่บนฝายีบก็ยังเด่นชัดสดใสด้วยการระบายวาดไว้ด้วยสีสันต่างๆ แม้แต่เส้นขนตาอันยาวงอนที่พริมหลับลงเรากับจะเป็นผลงานจำลองจากภาพจริงโดยฝีมือจิตรกรปฏติมากรรมอันเพิ่งจะแกะสลักแต่งแป้มลงสีไว้หยกหยกนี่เองปราศจากฝุ่นละอองผงคลีใดๆที่จะมาปกคลุมแปดเปื้อนอันจะทำให้มัวหมองหรือดูเก่าคล้ำไป ดูเป็นที่น่าประหลาดบุญคำเกิดและเสยทั้งสามคนพอมองเห็นถนัดก็แทะพงาไงาหลังลึงอ้าปากค้างไปพร้อมกันหมดอีกครั้งเพียงแต่คราวนี้ไม่มีเสียงใดๆจะผ่านลำคอออกมาได้ยืนตัวเย็นกันไปทั้งสามคนส่วนฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมดและเชิดวุตร พินิษกันอย่างทีท่วนที่สุดฟ้าหีบมีรอยเลื่อนเปิดค้างไว้และค้างในลักษณะนี้มาตลอดการนับตั้งแต่เวลาที่ได้ขยื่อนออกในครั้งนั้นโดยไม่น่าจะมีการแตะต้องอีกอิสเบลเอ่ยขึ้นแผ่วเบาแช่มช้า ลักษณะเหมือนใครเข้ามาลอบเปิดออกแล้วก็ลักพาร่างที่นอนอยู่ในนี้ไปสภาพที่แลเห็นอยู่นี่ทำให้สันนิษฐานได้อยางงี้อืมแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหญิงองค์เดียวกันกับที่เป็นภาพแกะสลักประทับอยู่บนบันลังบนผนังวิหารที่เราเห็นนั่นแหะค้าวหน้าลักษณะการแต่งกายดาบและะทา ที่ถือมันเหมือนกันหมดทุกอย่างจากสภาพที่เห็นอยู่นี่ฉันว่าแม้พระนางครีโอพัตราที่ว่าทรงความงามและความยิ่งใหญ่เป็นเลิศแล้วก็ยังไม่งามและและดูยิ่งใหญ่เทียบเท่าจิตรางคณางองค์นี้เลยคริสติน่ากล่าวออกมาจากความรู้สึกแท้จริงแล้วแลไปทางระพินซึ่งลักษณะของเขายามนี้ ดูเหมือนจะยืนก้มหน้านิ่งอยู่กับหีบศพนั้นถามชัดฉานชัดเจนต่อมาว่าเอาละระพินครั้นี้คุณพอจะบอกหรือหาสมมุติฐานให้พวกเราทราบได้หรื อ, อยังว่าศพของเจ้าหญิงในหีบนี่หายไปไหนอาการของคุณมันส่อชัดให้พวกเราเห็นว่ารู้ล่วงหน้าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แลว้ว ทุกคนเห็นแล้วว่าไม่มีศพของจิตรางขนางอยู่ในหีบนี่แล้วแล้วฝาหีบก็มีรอยพะเยะเปิดออกด้วยในอาการที่ยืนทื่อเหมือนท่อนหินระพินตอบมาด้วยเสียงลึกทุกคนจงฟังในสิ่งที่ผมจะพูดนะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่สมมุติฐานเท่านั้นขออย่าได้คาดคั้นใดๆทั้งสิ้น ทีุ่พขอ ง, ององค์มกุตราชกุมารีไม่ปรากฏอยู่ในหีบนี้ก็เพราะภายหลังเมื่อเธอสิ้นพระชนลงไม่นานข้าศึกอันเป็นชายคนรักคนเดียวกับที่ได้ฆ่าพระบิดาของเธอนะั่นแหละได้ลอบลงมาในมหาสุสานแห่งนี้เขยื่อนเปิดฝาหีบออกแล้วก็อุ้มเอาร่างปราศจากวิญญาณของเธอขโมยไปยังแวนแค ว, ว้นอาณาจักรของเขา ด้วยความรักมั่นคงแนว่วแนว่อันไม่อาจจะมีให้กับหญิงอื่นใดได้อีกแล้วเขารักภาษาของเธอไปเป็นอนุสรแห่งความรักนำเธอไปประดิษฐานในหีบแก้วอันตั้งอยู่ในห้องนอนของเขากระทั่งเขาได้ตายไปเมื่อถึงอายุไขทุกคนฟังอย่างพิศวงและเต็มไปด้วยปริศนา นี่ช่างเหมือนตัวคุณเองในชาตินี้เหลือเกินนะกระพินคริสติน่าพูดพลางยิ้มมุมปากแลมาที่เขาด้วยสายตาตรงถูกต้องครับเหมือนผมในชาตินี้ทุกอย่างจะผิดกันก็แต่เฉพาะที่ว่าสุภาพสตรีอันเป็นที่รักของผมเธอยังมีชีวิตอยู่ส่วนผม ไม่แน่ล้วครับไม่แน่ว่าจะถึงการแตกดับเมื่อไหร่น้ำเสียงของเขาวังเวงซึมเศร้ากระพินดูคุณจะรู้เรื่องราวของอาณาจักรลีลาแผงนี้มากทีเดียวนะอเมริกันเอาวุโสโกล่าวขึ้นบ้างผมจะไม่ถามโง่งๆล่ะ ว, ว่าคุณรู้ได้ยังไง อยากจะรู้ถึงความเห็นมาเกี่ยวพันพอสังเข็บถ้าคุณสามารถจะบอกได้ระหว่างกระยัมหิติเดชะมกุฎราชกุมารีจิตรังคนาแล้วก็ชายคนรักของเธอที่คุณบอกว่าเป็นคู่สงครามกันระพินอึ้งไปครู่แล้วสะบัดหน้าแรงๆไล่ความมึนงงฝืนหัวเราะขึ้นแผ่วเบา ผมให้สมมุติฐานกับพวกคุณได้แค่นี้แหะครับนอกเหนือไปจากนี้ตื้นลึกหนาบางยังไงผมไม่ทราบครสรุปของฝ่ายเท่าที่คุณเห็นอยู่นี่ก็คือผมได้นำพวกคุณทั้งหมดลงมาถึงห้องไว้พระศพของกษัตริย์สองพ่อลูกที่เรามองเห็นเป็นภาพแกะสลักอยู่บนผนังวิหารเบื้องบนแล้วเราพบที่เก็บพระศบเข้าจริงๆแลวมันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่ง ที่ควรศึกษากันไว้ดูกันให้เต็มตานะครับเราจะไม่อยู่ที่นี่นานนะพอแสงพลุของคริสหมดเราก็จะกลับขึ้นไปแล้วล่ะครับสายตาคมกริบของคริสยังเพ่งมาที่เขาอยู่อย่างไม่กระพริบแล้วกล่าวขึ้นโดยที่เขาไม่คาดฝันว่ารพิน ฉันมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณขณะนี้นะคุณมองเห็นอะไรคริสฉันเห็นฉันเห็นแจ็คเก็ตเดินป่าที่คุณสวมอยู่ในขณะ น, นี้มันมีเงาของเกราะทองคำหุ้มหุ้มซ้อนอยู่ไรเฟิลที่ถืออยู่มันก็มีเงาของดาบแทนคริส คุณมีความคิดอะไรขึ้นมานี่แม่ผมทองนักเคมีฟิสิกส์สาวประจำคณะชี้ไปที่ฝาหีบที่เปิดเผยเยอะอยู่กล่าวต่อไปแล้วถ้าเรามีไทแมชชีนหรือเครื่องหมายหมุนย้อนกาลเวลามาตั้งอยู่ตรงนี้เราทุกคนจะมองเห็นว่าคุณนั่นแหละ ที่เป็นคนมาขโมยศพของเจ้าหญิงองค์นี้ไปในครั้งนั้นรอยฝายหินที่เผยเปิดอยู่นี่เป็นฝีมือของคุณและทหารคู่ใจของคุณที่ลักลอบเข้ามาไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะไม่มีวันรู้อะไรถึงเพียงนี้หรอกมันพิสูจน์ได้จากหลักฐานที่คุณได้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วทุกอย่างจากสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นี่ คุณมีอดีตเกี่ยวข้องกับอาณาจักรลี้ลับแห่งนี้มาก่อนแน่นอนระพินสะดุ้งวาดไปถึงคั่วหัวใจกับคำพูดนั้นแต่กิริยาภายนอกยังขรึมเฉยชายอยู่เหมือนเดิมฮคริสปล่อยให้ผมบ้านไปคนเดียวดีกว่านะคุณคุณอย่ามาผสมโรง้วยอีกคนเลยนี่ระพิน ฉันหมายความตามที่พูดจริงๆนะไม่ได้มาซ้อมค้างหรือมาสวมรอยอรุยอะไรคุณเลยนะเนี่ยเสียงของคริสติน่าเข้มขึ้นเฮ้ยวุดฉันว่ามันท่าจะไม่ค่อยดีซะแล้วล่วะฮะลงมาถึงห้องไว้ศพกษัตริย์เนี่ยเกิดมีคนบ้ามาสองคนใช่ละจะรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวยังไงผิกลนี่ถ้ายังไงก็ขอลาดกลับขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าวะ นายคิดพูงเงียบมานานพูดด้วยเสียงไม่สู้จะสบายใจนะักสะกิดแขนเชิดบุตรแต่พันรีหนุ่มแห่งการข่าวทหารบกไทยที่เป็นตัวประสานงานร่วมทางมาด้วยบอกเสียงขึ้มๆ ม, มาว่าเออนายจะขึ้นไปก่อนต็ตามใจเหอะพีทสาหรับชันนะธรพินยังไม่ขยับฉันก็จะไม่ขยับไปไหนทั้งนั้นแหละจะขออยู่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูจนถึงที่สุดอย่างเงี้ย สองคนนั่นจะพูดกันยังไงแต่คริสติน่าไม่สนใจถึงหันไปทางเบลและคริสและดตรสเ ต, สตลลีย์กล่าวว่าฉันสังเกตอาการของเขามาโดยตลอดนะมันราวกับว่าเขาเดินกลับมายังบ้านเก่าหรือถิ่นเดิมของเขายัางนั้นแหละเขารู้ลู่ทางดีรู้ความเป็นมามีอะไรหลายๆอย่างที่แสดงออกถึงความที่เคยเกี่ยวพันอย่างแน่นแฟ้นกับสถานที่นี่มาในอดีต และที่สำคัญที่สุดเจ้าหญิงจิตรางคนาางผู้นีน้น่าเหมือนกับแพทย์หญิงดารินวราฤทธิ์คนรักของเขาในชาตินี้ทุกระเบียดนิ้วซึ่งคนของเขาทั้งสามคนที่มาด้วยกันนี้ก็ยังยอมรับใช่ไหมบุญคำเกิดเซย์ว่าไงประโยคสุดท้ายหล่อนหันไปถามพรานพื้นเมืองทั้งสามของรพินซ้ำอีกครั้งโดยกลับมาแปลเป็นภาษาไทย ใช่แล้วแมมคริสรูปสลักที่เราเห็นข้างบนก็ที่สลักอยู่บนฝาโลงนี่หน้าตาเหมือนนายหญิงยังกับคนเดียวกันยางไงแหละบุญคำบอกมาอย่างพาซื่อโดยเสียงสันส่นๆของแกผมว่าเราขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่ามั้งภารกิจของเราภายใต้มหาสุสานแห่งนี้ก็หมดสิน้นลงแล้วพลุของคิดก็กำลังเริ่มจะรี่โรยเต็มที เอาว่าลงมาเห็นกระตากันแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเขาตัดบทในทันทีนั้นมือข้างนึงคว้าแขนคิดอีกข้างนึงจับแขนเชิดบุฒดึงให้กระโดดลงมาจากแท่นอันวางหีบศพสีชมพูนั่นทันทีบุญคำเกิดและเสยก็ต้อนเบลคริสและสเตลลีให้ถอยลงมาซึ่งถึงแม้คริสจะยังไม่เต็มใจจะผละจากที่นั่นก่อนแต่ก็ไม่อาจจะขัดได้ เมื่อทุกคนถอยออกมารวมกลุ่มอยู่ตรงชานหินเรียบเชิงบันไดที่ทอดลงมาระพินก็ประกาศอย่างเป็นทางการขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนโปรดทราบนะครับเราจะถอยกลับขึ้นไปเดี๋ยวนี้แล้วการย้อนกลับขึ้นเนี่ยจะกระทําำตามปกติไม่มีอะไรต้องรีบร้อนเกินไปนักแล้วก็จะสะดวกกว่าขาลงมาเพราะเรารู้เส้นทางดีอยู่แล้ระยะทางระหว่างนี้ เราจะวางระเบิดเป็นจุดๆไปไม่ต้องมากเอาแค่สามจุดสําคัญสําคัญก็พอผมขอความร่วมมือในเรื่องนี้ก็คือแนวคิดด้วยผมจะเป็นผู้ชี้ตามทางที่เราจะผ่านขึ้นไปว่าควรจะวางตรงไหนบ้างและเมื่อเราทั้งหมดขึ้นไปถึงข้างบนแล้วก็จะส่งกระแสคลื่นวิทยุลงมาระเบิดให้หินถล่มเป็นการปิดกลบมหาสุสานนี้ไว้ใต้แผ่นดินเลย จะไม่เปิดช่องทางให้มีการผ่านขึ้นหรือผ่านลงได้อีกแล้วขอให้สิ่งที่เราได้ลงมาเห็นอยู่ที่นี่ในสภาพเดิมต่อไปช่วกตะลปาวสารของโลกและขอให้เราเก็บภาพไว้เฉพาะความทรงจำของพวกเราแต่ละคนเท่านั้นทุกคนรับทราบเข้าใจในคำสั่งของเขา